ช่ว น, นี้ได้มีความคิกมีกำลังและเวลาที่จะมาปฏิบัติโดยกำหนดตั้งใจว่าจะเดินจงกรมให้ได้วันล้หนึ่นชโมทํามาได้ห้าวันแล้วแต่เวลาที่เดินได้ก็ไม่เท่าไหร่อาการง่วงนอนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะพอเริ่มรู้สึกผมก็มายา คนที่จะเดินต่อเพื่อให้คบเวลาหนึ่งชั่วโมงที่ได้กำหนดไว้เขาบอกว่าเขาใช้นาิกาจับจเวลาเดิ น, นชั่วโมงแต่ก็ทนไม่ได้ทนไปถึงขั้นหลับในง่วไปทั่วขนาดบ้างแรกๆผมก็แก้โดยการหยุดแล้วไปอาบน้ำแล้วก็กลับมาเดินต่อได้สักสพักแต่ก็ง่วงเหยียด จากเวลาคนเดินจนให้คบหนึ่ชั่วโมงการที่ตั้งใจไว้หรือบางครั้งผมก็รองหยุดหยุดแล้วก็หยุดเดินนะครับหยุดเดินแล้วก็หลตาเดินอยูดตรงนั้นแล้วก็รูดรูดโทรไปแต่เนื่ไปเนื่ไปก็วูบอีกเช่นกัน อยากไรกับการง่วงนอนมิถ้าไม่ถูกต้องเลยก็ขอรบกวนสอบถามแนวโน้มในแบบที่ถูกต้องด้วยครับที่ถูกต้องคือทำสติความระลึกรู้เนี่ยให้มันต่อเนื่องกันถ้าสติระลึกรู้ต่อเนื่องกันมันจะเป็นความตื่นจะเป็นความตื่นทินมิทะคือความง่วงงอห่านอน มันจะไม่ครอบงําแต่ถ้าสติเนี่ยความระลึกรูปมันไม่ไม่ต่อกันเนี่ยมันมันไม่ตื่นมันก็เป็นความเคลิบเคลิ้มเดินจงกรมเนี่ยนั้นล่มทางเดินก็ยังมีอันนี้คือความคือความเคลิบเคลิ้มคือความหลับความความตื่นของจิตไม่มีมันจะพยุงพยุงส่วนรูปส่วน ร่างกายเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวสตินี่แหละเออถ้ามันถา้าเดินอย่างมันง่วงก็ทำอย่างไรมันยังง่วงเพื่อให้เพื่อให้ความรู้สึกมันตื่นต่อนเนื่องกันวิ่งเอาก็ได้วิ่งจงกรมวิ่งจงกรมวิ่งไปวิ่งมาแต่ตัวสตินี่ให้มันให้มันต่อนเนื่องกั น, นกําหนด จะกำหนดพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธให้มันรู้ต่อเนื่องวิ่งวิ่งก็ได้ด้ืยวิธีวิธีแก่มันน่ะน้ำหลวงปู่องค์หลวงปู่พุนจันทร์ท่านยังเคยเล่าให้ฟังท่านทำทางเรื่กลมข้างหนึ่งเป็นภูมมน้ำขัดเข้าไปมันเผลอมันง่วงเข้าน้ำขัดเข้าน้ำเกาะรู้สึก เกิดมาออกมาเดินเอาอยู่อย่างนั้นคือถ้าพอสติมันต่อกันเนี่ยไม่ได้ยากหรอกสสติความระลึกลูกจะเป็นความตื่นที่นี่ความง่วงงาวเฮานอนจะหายไปหมดนี่ซื้อสติของเรายังไม่กล้าเนี่ยไม่ต่อเนื่องกัน ก็ต้องเอาแบบนั้นเอาเราตั้งไว้ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งตั้งจอเอาเดินเดินเวลาเดินเนี่ยกำหนดงั้นแหะถ้าหากว่าถ้าหากว่ากําหนดรูปกับการเดินมันไม่ต่อเนื่องมันยังพังพังเพอเพอก็เพราะว่าการเดินนี่มันเป็นเพียงอริยบท ของกายยืนเดินนั่งเนี่ยมันเป็นอริยบทของกายส่วนอริยบทของใจเนี่ยให้สติกับความรู้เนี่ยความระลึกรู้กับความรู้ให้มันต่อเนื่องกันกําหนดเอาเราเดินไปทีแรกกําหนดก้าขวขาขั้วพุทธโธขาท่ายธรมโมขาขั้วสังโฆไปสักสามรอบ สักสามรอบอย่าให้มันเผยเลยกีถ้ามันเผยมันก็เอ๊ะมันมันได้กี่รอบไปไม่รู้อีกล่ะตั้งใหม่เอาให้มันพุทธโทธรมโมสังโฆพุทโทธรมโมสังโฆไปสามรอบไม่เผย อ, อันนั้นแล้วมันไม่เผยละความรู้ความระลึกต่อเนื่ อ, องกันพอไม่เผยเรา ก, กาหนดเอา หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งไปหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสองไปเดีย๋ยวถ้ามันเผลอแลมันจะลืมเอ๊ะมันได้เท่าไหร่อีกอ่ะมันข้ามหน้าข้ามหลังเอาใหม่ตั้งใหม่เอามันจนมันไม่เผลอที่นี่มันจะมันจะเกิดความเหนื่อยได้ถ้าเดินได้สักสัปโมงสองสองัโมง มันจะเกิดความเหนื่อยมันจะเกิดพวามเมื่อยมันจะจะหยุดไม่หยุดไม่หยุดเพราะมันยังเผออยู่มันยังเผออยู่มันยังไม่ถึงกําหนดนี่ก็สู้กันอย่างนี้แหละมันเหนื่อยมันจนจะก้าวไม่ออกเอาก้าวไม่ออกมันจะล้มล้มก็กิ้งเอาบอกตัวเองอย่างงั้น มันกิ้งเอามันกิ้งไปไม่ได้หมดแรงกิ้งก็นอนอยู่กับทางเดินยังกรมนี่แหละต้องต้องขมใจแบบนั้นเนี่มใจแบบนั้นโอ้ยมันทุกข์มันจะตายมันที่แรกมันก็ง่วงอล่ะ้ามันง่วงไปง่วงมาพอมันเดินไม่หยุดไม่หย่าแล้วที่นี่มันเหนื่อยมันเมื่อยมันอยากจะหยุดไม่หยุดสติบังคับไว้กำหนดจ่อกันไปเรื่อยเรื่อย สุดท้ายก็มันแนวแ่วล้อ๋อมันไม่เหมือนเดินก็เหมือนกับไม่ได้เดินชั่วโมงหนึ่งมันก็เป็นแค่อึดใจเดียวเท่า น, นั้นละ่ะอันนี้คืออาการของสติต่อเนื่องกันแล้วมันวางมันวางความคาดหมายอย่างอื่นเอคือพยายามให้สติมันต่อเนื่องกัน แก้ก็แก้ให้ให้สติต่อเนื่องกันมันเป็นทั้งนั่นแหละลม่มชนต้นไม้ก็ชนพระแรงแล้วเดินชมกลมล่มทั้งยืนเคยล้มมาแล้วเหมือ น, นก็คอจะหักทีนี่พอนั่นแหละพอพอจะรู้เรื่องมันก็ สติมันต่อเนื่องกันมันจะตื่นตลอดตื่นนี่เรียกว่าข้ามข้ามนิวรณ์คือทินทินนมิทะความง่วงเงาวความเคลิบเคลิมความสอดใจอารมณ์รอดพื้นออกไปอย่างอื่นไม่มีมันจะรู้เด่นอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปยอมแพ้มัน เอามันเดินที่นี่ชั่วโมงสองสามชั่วโมงมันยังนี่อยู่ก็เอามันทั้งคืนเลยอธิษฐานเอาไปเดินทั้งคืนเอาคืนนี่ไม่ต้องนอนล่ะไม่ต้องนอนแต่ว่าตัวสตินี่ต้องดูให้ดีสติคำบริกรรมเนี่ยมันต่อเนื่องกันให้ดีบางที ไม่เกินสามคืนออมันจะสู้มันได้ให้เกินสามคืนแต่ตั้งใจให้แน่วแน่จริงๆเนี่ยสามคืนคืนที่สี่นี่ยแน่วได้ละเอาแบบนั้นจะทอดทุระ